จะสหมรถมีกลัมาที่จิจได้่นเจาีดเองรเราคิดแต่เราไม่ถูกขันนะคือเราพิจารณาตามความรู้สึกของเราในแง่ทำต่างเป็นเขียนโุ้เขียนนั้นหากว่าเป็นวิสุทธิบุคคลเขียนนี่จะหนักไหมนี่หมดนี้หรือว่านานมาเป็นเราก็ทราไ่ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามหลักฐานที่ขึ้นเผยเทือกคนยังเหลืออยู่บ้าง แม่แต่แคาถามาะมเลียนย์ใครไปดูภาษเราก็เค ย, ยู่้เราไม่เรียนถ้าใครไปดูภาษาแต่เราก็เีนหนสือมันเ่นอยไม่น้อยมน้นึองเป็นหมดกำลังเรามันเป็นผีโ ข, ข, ข, ขนผีโขนผีโขนไปไม่ไม่มีที่สดุดใจ เวลาครูบาาจารย์พูดปฏิบัติธรรมทำหนึางทำผู้ทีควาฟังทำไมมันจะดุมันถึงแกปั๊ับปั๊บปั๊บเดอย่างพระแม่บิจาเนี่ยนี่เนี่ยนี่ออกจากพระแม่ครูบาอาารนั่งมาเกาตามท่านผู้ใดมีภูมิปที่สูงมีสมาธิมีปัญญาลึกซึ่งในด้านปฏิบัติท่านจะไม่พูดมากก็ตามแต่มันก็ถึงใจนี่พะฒนาของจริงมาพูด มันองิดแล้วาจากองคปฏิบัติงามเป็นอย่างนั้นเราพูดตามพระพรปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติทันที่โกงจะเห็นเองเราจะให้มันถึงใจเราทนที่โกให้่ต้องถามใครถ้าท่านน้อมจิตเข้ามาตรงนี้แล้วท่านเห็นตรงจิตทันที่โกไม่ต้องถามใครเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ถามใคราวกไม่ได้ถามใครเวลาเข้ามาพิจารณาที่นี่แ้รู้ทันที่โกปัิจจังเป็นรูปแบบของทุกคน พิจนาอะไรก็ตา่างพิจนาตายจะประห้ากานี้ น, นนะจิตมันเห็นยังไงให้ดูตามความเห็นของจิตลักษณะใดก็ตามที่สแสดงออกในขนาดที่เราดูรูปภาพจะเป็นรูปภาพแบบไหนจะอยู่ที่สูงหรือต่ําขนาดไหนเราอย่าไปต้องัารมั่นหมายในความสูงต่ําของการพิจนาจิตมันหลอกนะมันมาปรุงหลอกมาตัดขวักตัดหนามาขั้นทางมาปรุงสมัยเป็นกําหนดกำลังกำลังกําหนดพิจานา อ, อาการนี้อาการนี้มันจะแปรไปให้ดูมัน จากมันติดไว้เลยอย่าไปอย่าไปปรุงใหม่เอามันจะไปยังไงจับทมันติดอันนั้นเลยมันเหมือนกับชนะติดหลังตานั่นอ่ามันจะถุจดจะดำจะถุดมันจะไปไหนไม่ปล่อยอืมอามัจนถึงตัวนี่กิตพอได้จับองไหนนี้เนียยวาสติเราจะจะดูความจริงมีเคยดูมาอย่างนั้น ถ้ปรุงถ้ากาหนดไปพอมันค่อยแปรอะไรอะไรจะตา ม, มนะนี่อย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยคิดปรุงเนี่ยเนี่ยบางทีเนี่ยใ น, น, ยนว่าเรากำหนดอยูตรงนี้แล้วทําไมมันไปต่ําไปโน่นล่ะแล้วทำไมมันสูงไปโน่นล่ะเร้วมันผิอยู่ทางนั้นทางนี้ น, นะนะตรงใหม่ไม่ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนั้นนะเราถ้ากำหนดแล้วแล้วในจุดใดในเบื้องต้นอืนกําหนดหนังก็ตามเมื่อก็ตามเมื่อในจุดใดในส่วนใด หนังในส่วนใดให้จับตรงนั้นมาเลยอ่ะมันจะขึ้นสูงขึ้นต่ำไปพิจารณาในไรก็ตามขอความรู้ความเห็นอันนั้นที่กําหนดไว้เดิมมันอยากมันก่อยไลยมันจะไปไหนติดกันไปเลยอ่ะมันจะแปรไนแต่มันจะสูงต่ำขนาดไหนแยกเป็หมายมันหรือเอาแต่ความรู้กลับมานั้นมาทำมันสัมผัสกันไปมันจะแปรไปั้งหมดมันก็ลงแทนได้มากมันที่มันลงไม่ได้ถ้ามันเกิดความยิ่งใยญ่เรื่อยๆการพิจารณาอะไร นันเป็นเพื่อนเป็นฐานให้สืกเนื่องกันไปเป็นแบบจนเห็นความจริงอย่างชัดเในใจใจก็เพราะสังขัรที่เป็นตัวสมุทรไทยมันเคยมันคอยมาหลอกอยู่เล้วหยึ่งเราต้องเทียบต้องแยกออกเทียบเทียมเพื่อเป็นการคค้านต้านทานที่แก้ไขกันในทางสมุทรไทยนะระว่างนันมันคิดถึงรูปใดก็ตามเสียงอะไรก็ตามอดีตที่ผ่านมาแล้วสี่ปันสี่ปีสี่เดือนก็ตามแล้วอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันคิดไม่ต่อแลาวแล้วสิ่งนั้นมันจริงว่าหรือมันอยู่ที่ไหนอยู่นะทำไมมันต้งเชื่อ เส้นหลงคิดหลงแดงอะไรเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนที่ใครมาเล่าให้ฟังามาต่างเรื่องนั้นไม่ทราบอยู่ที่ไหนจริงยิ่งไม่จริงก็่ามมันเชื่อไปแล้วมันมาดภาพไปแล้วทําไมมันว่าดได้ทั้งท้งที่มันใช่เป็นของจริงที่ ม, มันวานได้เราทำํำไมเชื่อมาจนถือว่าเป็นอารมณ์อยู่ภายในใจทั้งวันทั้งคืนบางอย่างเดือนร้อนมึนบายเพราะอารมณ์ที่เด็กดินมาเราเคยเห็นมาสิ่งที่เห็นนั่นก็เห็นแล้วผ่านไปแล้วแล้วอันนั้นไม่ชาบมันตัไหน ผ่านไปถึงไหนแล้วแต่เราทาไมเรามาเรื่องนั้นนมาปุงมสียจนเราล่อลอกเราฆ่าอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้คํานึงบ้างหรือว่าไอสิ่งที่เราเห็นนั้นอ่ะมันผ่านไปถึงไหนแล้วเวลานี้มันก็อยู่ที่ไหนมันเป็นลมเป็นแล้งเหมอารมณ์ที่เราปรุงนั้นมันก็เป็นลมเป็นแล้งเหมือนเดิเทตได้มันจึงมาเป็นอารมณ์ผันนาจิตถ้าไม่ใช่สิทธิ์เป็นผู้หลอกคนตุ้งเรื่องนั้นคือมาหลอกคนอยู่ฆ่าอยู่ฆ่าอยู่ที่ไหนมันไม่ได้คํานึงมันชื่อเอาเลยนี่นะ นี่แที่เราทํากิจแจง้งของเรามันยุ่งไปตามนี่เวลาเราพิจารณาทางด้านแก้ไขเหมือ้กันให้จับอาเงินนั้นมาเทียบกันถามันจะกําหนดที่สูงที่ต่าที่ไรว่าจริงไม่จริงม้างอะไรหลอกขึ้นมาเนี่ยให้เราเอาเรื่องของสมทุทัยส่วนเรื่งมงขอทยทําไมถึงถือว่าจริงไ ป, ท, ง ป, ท, งปทุกอย่างเชื่อไปทุกอย่างเพราะตามไปทุกอย่างเราอันนี้จึงเป็นเครื่องแก้จริงๆแล้วทําไมถ้ามันเป็นอย่างนั้นไป น, นี้ไม่เชื่อ แล้วปรุงหลอกตกลงสมัครต้องมาแก้เป็นอย่างนั้นี่นนนะเคยเป็นอยางนี้พนะอจับป้นยทำไปนะไม่ยอมให้ัวไหนามาปรุหลอกได้อีกล่ะเรจะเพ่งอาการนี้กับอาการนั้นให้ดีจะกาหนดอาการมันจะให้มันแปลเปรร็นยังไงก้มันต่อไม่ลงไปเลยต้องให้ท่างขาอื่นมาหลอก ทั้คันอื่นด้วยมากไม่ใช่ท า, งา้งคันทั้งหมดไทยนเกา้าสิบห้าเปรเซ็นตทั้งคันทั้งมดไหล่อให้ตีแยะจากทางเวลาท่านอธิบายให้ฟังเรื่องการพิจารณาการเมื่อปฏิภาควดธีนั่นเป็นเรื่องของท่านส่วนเรื่องของเราให้มันจะเป็นยังไงให้เป็นขึ้นมาในหลักปัจจุบันเราจะไปคาดไม่ได้เป็นอันขาดเทราะอะไรอย่างนั้นเราก็จะให้เป็นอย่างนั้นอย่ น, นี้ผิดนะ ความรู้ความเห็นผูผลิตนิสยัยเหมือนกันและทั้งเหมือนกันปุ๊เขาเบียดไม่ได้ผิดและมันขัดตัวตัวเองนั่นแะเวลาผิดไปแล้วมันขว้างมันทําให้เสือ่อมใจมันใส่เป็นที่แน่ใจไม่ได้เลยสมมัติของเรามีอย่างนี้เรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เราแน่อย่างนี้ตาอย่างนี้เลยถ้าเราไในพิจารณาในวงสัจธรรมแล้วจะไม่ผิดไปไหนได้เป็นแต่อาการของการพิจารณาที่แตก ต, ต่างกันบ้างเป็นธรรมนาของจารีนิสยัยส่วนหลักใหญ่คือสัจธรรม พิจารณาเศรษฐมเหมือนกัน น, น, นั่นเอางั้นท่าพี่ารณาข้างในไม่สนิทพิจารณาข้างนอกก่อนอารมณ์ข้างนอกรูปข้างนอกแยกดูใก่บางไกลบั ง, งเฉียดหน้าเฉียดหลังจนค่อยสนิทแล้วเฉียดเข้าไปเฉียดเข้าไปอามลกุกทางสลานไงหมดมนี่วิธีพิจารณาอันต้องเป็นเทคนิคของแต่ละคนละคนก็บอกให้ทุกนี่ยทุกมุมไม่ได้ไม่ถูก ยังสตินเป็นเรื่องสําคัญมากนะสตินี้สําคัญมากยาวแยนทายความคิดความเห็นที่มันส่งไปสู่อารมณ์ภายนอกซึ่งเคยคิดม า, ม า, ม, ามานานเท่าไหร่แล้วเคยโคยทุกมาให้ได้รับความทุกข์ความลมําบากลำมาก<ม>เพราะความคิดเหล่านั้นมากน้อยถึงไรเราต้องรีบเอามาทบทวนดูให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นร้นายได้แล้วเสียด้วยกันกนะครับจิตมันถึงมันมีทางแก้และมีแต่ใจที่จะมาแก้และมีแต่ใจที่จะฝืนเรื่องนลังเหล่านั้น เวาเราจะทํางานของเราแนละ้วเราอย่าอารมณ์อย่าเสียดายอารมณ์อะไรทั้งหมดโลกมันจะมีมากเพียงไรเอาเข้ามาอยู่ในจิตจะให้มีแต่ ง, งานของจิตเท่านั้นเวลานี้เราทํางานอะไรให้จิตอยูก่ mm hmm. กำลังกําหนดพิจารณาอย่างไรให้จิตอยู่ที่ไห น, นเราอย่าเสียดายความคิดซึ่งเคยหลอกเรามานานความเสียดายที่แยกปกระตามเขานั่นแหละคือความหลงตามแล้ แล้วก็เฟ้จากหลักเดิมที่กำลงกังพิจารณาไม่ได้นานเลยหลังทำอะไรให้จริงให้จังิงฝึกตนนั่นแหละสำคัญมากทุกลำบากก็ฝืนเอาเหตุผลเข้าไปตั้งให้เดินตามเหตุผลในความทุกข์ความลำบากมันเกิดขึ้นมาให้เราถึงท่านผู้ดี คิดถึงพระพุทธเจา้าคิดถึงสาวกองเ ด, ดเดีย ว, วก็มาเป็นเครื่องชักลุ้งพยุงเราไม่งั้นจิตของเรามันอ่อนแอคือปกติจิตเรานี้มักอ่อนแออยู่เสมอสิ่งที่จะทําให้จิตอ่อนแอมีอยู่มากภายในจิตจิตจริงต้องอ่อนแอไม่ใช่อ่อนแอเฉยๆนันมีสิ่งบังคับหรือกดดันให้อ่อนแอนเวลามีธรรมะด้วยอำนาจของความป่าความฝืนของเราเป็นผลแทรกขึ้นมาในระดับหนึ่แล้ว ทางกดขี่ในทางต่างำก็ค่อยลดน้อยลงไปกําลังทางด้านธรรมะซึ่งเป็นทางสูงก็ค่อยมีกําลังมีกําลังยิ่งขนาดเที่ว่นี้หมุนทั้งวันทั้งคืน อ, อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วไม่เค ย, เ ค, ยคิดเคยคาดมากจิเป็นจะเป็นได้อย่างนั้นแต่เวลาเป็นก็หเห็ น, นชัดๆแลนี่ยีแต่เรื่องที่จะแก้นั้นอะไรผ่านไม่ได้ไมีแต่จะแก้ท่าเดียวไม่ได้คลอยตามไม่ได้เทินตาง มี่จะแก้ท่าเดียวท่านมันเห็นไปถึงป็นลำดับลำหนั ก, นนกอะไรจะเพลินยิ่งกว่าทรรมัน่มีในโลกนี้อะไรที่เกินสิ่งที่หน้าติดยิ่งกว่าพิเรกก็ไม่มีเหมือนกันอย่างนี้นทั้งสองมีความละเอียดเกิดจะว่าปอๆกันที่เรกเป็นฝ่ายส ม, มุติมันไม่ละเอียดเท่า ม, มุติเพรมีมุดิเปนพ้นจากนนมันไปพอธรรมแท้ มันล่าง้งง า, างงงงงมันจะง่วงง่วงกอหาวายทิจแปรงเปลี่ยนแกรงตัวเอมันจะง่วงง่วงนั่งแลมันหลับเือะซ้ำมันก็ดูไม่ได้เลยแล้วง่วงง่วงก็พิเลี่ยนท่าทางช้ไมากผูที่ออาหารมันจะง่วงแล้วอดพื่นไปหลา ย, ลายวัน้วลวมันมง่ว ง, งเลยนอนแค่น เ, เดียว <c oughs> หายคนพู้ฉันดีม้มันง่วง ยิ่งฉันมากอะไรมันก็ยิ่งง่วงกินมากแทนที่มันจะเรล่นความเพียรเฮ้ยอยากเข้าใจมันจะเล่นมันมีแต่ที่มจะเล่นบนหมอนไอเรามันเคยหมดแล้วมันจะเล่นทางเล่นทางหมอนถอนมันก็เรียนหนึ่งคารมือของนอนก็เบาลงไปแต่ไม่ทันใจแล้วเราไม่ใช่เรานอกจากมันจาเป็นอยู่กับหมู่เพื่อน ต้อง ม, มากเราหาทางที่จะปิดตัวเราทำอุทาหรคนเดียวลำบาแกแต่พอผ่อนเอาดู ถ, ถ้ายไปด้วยการถอนสมใจก็ไม่สมแต่ยังดีกว่าเมื่อผ่อนเราปรู้อยู่เ้าออกทางนน้าไปแล้วนีสายเรามียงไงมันก็พลาดเต็มคูม รุ่นนิสยของการพิจารณาตอนไม่ง ma ั้นมันกล้าวไปไม่ได้เพราะฉันเกิดนิสัยากลำบากคนตายท่านนิสัยเราทำไรแล้วต้องฝืนยากก็ต้องฝืนนั่นเหมือนนาของเรานี่มันทำยากแต่มันก็เป็นนาของเราเนี่เราจะไปทำนาคนอื่นเขาได้อย่างไงไม่ใช่นาของเราเราก็ต้องทํานาของเราจะยากหรือง่ายเขต้องทํานาตัวเองนิสัยของเรามันก็เหมือนกับ พื้นนาของเราเนี่ยนิสัยของเรามันยากมันง่ายเหมือนหนูเพื่อนมันมันไม่ง่ายเหมือนหนกเพื่อนมันทำทั้งหลายที่ไม่ง่ายเราก็ต้องฝืนงานทำด้วยความลำบากความกดผลเนี่นิสัยของเราไปอย่างนี้แล้วเราจะเอาความง่ายความสบายมาได้อย่างไรอาจจะทำด้วยความง่ายความสะดวกสบายได้อย่างไรฝืนตอนนี้สใส่ ลำบากลำบนบ้ามันก็ต้องฝืนเมื่อนี้สัยเราเป็นอย่างนั้นแต่ถึงเวลามันง่ายมันก็ง่ายของมันเองเวลามันกําลังถือไถ่ายนต้นลําบากต้องฝืนจริงจริามันก้าวออกจากสถานนีไปแล้วมันก็เหมือนรถเดินรถไฟเนี่ยออกขึ้นแร้มันก็เอื่อยเอื่ยลำบากที่เกียก์เพราะเว่ามันขี่เกียรอืดอัดเมื่อนานพอไปนานเ่านานเข่าเครื่อมเร่งเข่าเร่งเข่ามันก็เร็วเร็วก็ด้วย มีสิทธ hmm. ิเหมือนกันต้องอาศัยเร่องอาศัยปลูกเจ้าของเสมออย่าเอาความหวแดรเข้ามาเกี่ยวข้องต้องปลูกเสมอให้อดอาหานร่าเริงเริ่มแข็งมีทางเดินของผู้จะไปทามโลกขังสงสารนั้นท่านเดินหนังนี้ทางหวนแอร์คืท่านคือทางของบุคคลถ้าพยายางแบ่งถุกในมัสการสงสาร มันขี้เกียจหนึ่งก็ขยนันหนึ่งเพื่อขี้ขี้เกียจทางความเขียนก็ก็ขยันแบบทุกผู้ขยันทางความเขียนก็บผู้ขี้เกียจจะแบบทุกต่อไปทุกก็เคยจากที่เด็กที่เด็กเขาอยูับตัวเราที่สินธามันก็เกิดที่เด็กไม่ถูกมีว่าทำก็มีที่ใจเราพยา ย, า, ยามขุดคุ้ยขึ้นมามันก็ปรากฏ ทุกวันนี้ก็มันสะดวกพราะเราบินผ่านไปผ่านมาทั้งวันทั้งคืนเด็กๆก็มาแต่ถ้าเราลองจับอะไรนี่เราก็จะแปเป็นอารมณ์ของเขาในเรื่องของเขาจจะไปหน้าเดียวไม่น่าพยาามาเขาเพื่อความกระตุกระเทือนต่อใจทัวเองเนี่ยทีจะแก้ความขันเราก็แก้ยังไงที่มันกระกกระเทือนติดใจซึ่งเป็นทางถูกเราต้องหาอุบายแก้เราของโลกของธรา มีอยู่ด้วยกันมาอย่างนี้สมาธิที่ท่านว่าสมาธิเราก็ต้องทราบความนิสัยของเราถ้าท่านรวมเป็นบา ง, งายบัดรวมเป็นอย่างนั้นรวมเป็นอย่างนี้นรวมเป็นพักนั้นพันี้สองพักสามพักลมแล้วรู้อยู่นั่นอย่างนี้นอันนี้มันเป็นนิสยัยผู้สืบความรู้ยังไงไม่ได้เรียนอนะเรื <c oughs> ่องความรู้ปรแปลกความเป็นของจิตความรวมของจิต ไม่ไดเรียนเรียนหรือปฏิบัติมันเป็นหน้าที่มันควรจะรวมทันหมดลงหนะ้าเนี่ยตามนิสัยต้องใครอย่างไรอันนั้นไม่มีใครเรียนมันเป็นที่มาเองนี่เราก็ต้องทราบนิสัยของเราอีกที่เราสงบอย่างนี้จะยินท่านว่าสงบอย่างนั้นเอ๊ยไม่ถูกเนี่ยขาดอีกแล้วสงบยั ง, บยงไงก็ให้รู้ความสงบนั้นนะทราบกันสงบมากน้อยทราบกันสงบละเอียดแค่ไหนทาบกัน งลงไปด้วยลักษณะใดก็ทราบมีเราสังเกตอย่างนี้เราอย่าไปยึดเอาคาที่เกมาเป็นประมาณของจิตโดยไถยเรียางั้นมันผิดผมเคยโตท่านอาจารย์มาเราโต ด, ด้วยความเป็นของเราเราอาถรรพ์เพราะเราเป็นอย่างนั้นล้วกราบเรียนด้วยอย่างนั้นเลยทา่านก็ไม่ว่ากันะถูกียัหาอ่ ถู อ, อย่างที่เราต้องไะทำท่าขู่เราบอกเราไม่เป็นนี่นเรากหวังมันเป็นเป็นเรื่องหนึ่งกําลังที่ยินดายนี่คือส่วนใหญ่ของเราเป็นอย่างนั้นนี้ส่วนตี่ย้อยเราไม่ไปพิเศษนะว่าเราไม่เป็นถ้าเราจะพูดว่าเราเป็นอย่างนั้นเดียวมันต้องมีงนเนี้ยที่จะพูดอะไต่อไซึ่งส่วนใหญ่ของเรามีอย่างมันผิดจากนั้นเราก็ต้องพูดตัวนไห น, น มันเป็นอย่างนั้นนั้นเราพิจารณาเป็นอย่างนี้นี่เราก็วานไอ้คนตื้อด้วยมันเป็นเองมาเป็นหลายเงี้ยหลายงอนสิบผมมันเกิดหนัไม่ทราบเองทีเรานี่เกิดรู้วันที่ของยิงใส่แปลกกับนมันจะไปตรงไหนจริจริงมันก็ไม่ไปว่าไม่ไปมันก็ไปนี่แปลนะรวม อ, อย่างนั้นรวม อ, อย่างนี้ มันไม่เป็นมันก็เป็นนี <c> ่ <oughs> มันแปลกอยู่นะเ ร, เราไม่สงสัยมีสาอะไรอย่างนี้เขาไปทำนี่แหลเชื่อมั่นนะครับเป็นตัวเองการบารัชานีนะ่เป็นเรื่องสำคัญต้องพิจารณาเอาตัวเองให้มาก นักทดลองกอ น, นี่แหละเป็นหลักสําคัญพอผ่านนี่ก็แล้วมันเบาเป็นหมดนะอันนี้เป็นเครื่องกดท่วงรวงปิตใจมากมาทีเดียวฟังจิตฟังใจท่วงโอ้เหมือนก็จงไปลงก้นเทวทัตอันธรรมชาตินี่างอารมณ์อันนี้ฝนะังลึกมากนะแพอนี้จางไปจางไปจิตมันค่อยเด็อดขึ้นเดืขึ้นนี่มันนมันขาดไปจากจิตกัเลยแล้วมันก็เหมือนมั่น ร่างเมืองร้างนีมันก็ทำให้รู้เข้าใจขึ้นมาอ๋อผิดถ้านาคามีมันต้องกลับมาเกิดอีกเพราะเหตุนี้เองต้รู้ที่เกิดก็เพราะเหตุนี้เองนี่เพราะเหตุเรื่องกดถ่วงอารมณ์อันีกดถ่ว ง, นนวงที่ไม่เกิดเพราะไม่ไม่มีอันหลังเรื่องกดถ่วง น, นเะเรย่องอภิชานมันมีอยู่เฉพาะจีตอยากทําท มันเป็นอัตโนมัติทองสิ้นด้วยหมุนตัวกันอย่เห็นว่าอารมณ์นี้หนักมากถ้าอารมณ์นี้เบามันมีความสุขนะเพื่อทมีความสุขเมื่อารมณ์นี้ต้องเบาทํา อ, อารมณ์นี้ไม่เบาแล้วมันจะเอาแต่เรื่องอารมณ์นี้แ่ะมันยุ่งมือจิตตลอดแล้วทำแรงมาให้กดท่วงมันเป็นผลแล้วนะมนมันเป็นนิบาตทายในใจแล้ว ่นะอะไรพูดไม่ถูกคับอยู่ในหัวใจใเวลานั้นออกไาแล้วมไม่มีอะไรทำใจให้ครับนะโลกมันหมกไปวั่นเขนคาบเกลนั น, น, นะนคิดก็เหมือนกับอารมณ์ทั่วๆไปมันนี่ไดตักติดกับ นั้นปฏิกิริยานั้นปฏิกิริยานี้เหมือนปกอบคิดธรรมดาธรดาผ่านธรรมดาเหมือนคิดทั่ไปมันไม่กดขวา ง, งจิตใจไม่เป็นอารมณ์ผ่านไปยัไหเจออะไรเลยยิก็เห็นก็ดีน่นก็ผ่านไปผ่านไปดับไปต้ออมต้องมมันไ ม, ม่มาเป็นอารมณ์กดขว ง, งจิตใจรู้สมา มันจะเบาลงไปแล้วต้องอาศัยการพิจารณาผมว่าอันนี้แหลกละเอียดลงไปวันกี่ข้างสี่ฝนท้งข้างนอกทางในไม่สำคัญมันติด้างนอกออก้างนอกว่าพิจาที่แย่ดูเห็นหมดมันเห็นแต่ของประดุษนทั้งตัวเพราะในตัวของคนมีแต่ของประดิษนนั่นนีของสวยงามที่สุดเศษของเฉยอไรจะทั้ขาปีงตีวกับทำมันเป็นอี่เป็นกับทำมัต้อง การย่งปุงหลอกกันมาทั้งมัากินก็หลอกตอนแรกก็ชอบของหลอกเราไม่ได้ชอบของรจริงที่ได้เชื่อมันด้วยมาเป็นปั่นมันจะพยายามแปรไขของปลอมทั้งหลายนออกขัดใสให้เห็นแต่ความจริงคิดตัวมานม่ถึง เ, ง ร, เ, เรื่องของจริงเปนดวงมันต้องฝืนเลยไม่ฝืนไม่ได้พลังทำงานจริงจริงมันโอ้โหมันรวดเร็ว หนึ่งคนหมดนี่มันละลายเรื่องลายละลายคนทำนาทั้งไหนมันก็เห็นนั่นก่อนมัไม่เห็นหนังมันไม่มันเห็นมันเห็กระดูก้งไหนที่มันทำนาทั้งไหนมันจะไปเห็นนั่นก่อนทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปขั้นขั้นสัญญาภตรงนั้น ที่นี้อนหมดขั้นย่ากับมันก็ว่างไปเยอะรวขึ้นมาครับกาหนดจะให้มันเป็นอัิภาพในทางก็หมดเลยทั้งรวมขึ้นาพมกระดับพร้อมนะท่านเลยพิจนรณาแยกขยายท่านงก็ไม่อยู่ละลายหมดเลยเป็นขั้นนึงของจิตกําหนดปัพเป็นฐานอัภาพมันก็เหมือนเป็นจิตที่เสีะกัมมัฏขงอกป มันหมดนเข้ huh. ามาเป็นกีดสีเสียงก็ทราบใ่ไหมกีนี้ไปออกไปปรุงหลอกตัวเองถึงก็ปล่อยของของต่อไปที่สิ็นที่ปรุงภายในจิตที่เราหลอกตัวเองนั้นมันก็มารู้นี่อีกเขียนี่ยปรุงขึ้นมาอะไรมันก็ดับกับนี้เกิดกับนี่ดับกับนี้เขียดทะลุเรื่องตัวเองหลอกตัวเองมันจะถักเกิดขึ้นมาตั้งแต่ดับเป็นท่าอะไรขึ้นมาแคบเขียดดับ เลยมไม่มีนาเรื่องพอันนอกเพราะพันนอกมันเข้าใจแล้วมันท่าบเนี่ยอินาเรืองก็ไม่เรื่องพรานไม่มันไม่เอาเรื่องจะได้เรื่องอะไร <l> คือมันได้เรื่องแล้วเนี่ยมันจะไปเอาเรื่องอะไรอีกมันได้จนหายสนใจแล้วมันจะไปหาเรื่องอะไรมาอีกเราก็รู้ <l> ผมยังไม่ลืมลนะออกปฏิบัติทีแรก มหาทิ้งเวลาที่จะสิ้นวิญญายแล้วก็มรรคผลคุณพูดจบแต่ก่อบเราก็ไ ม, ม่มันก็ไม่น่านัแน่ะมันก็ไม่ดึงมันเองที่เราก็ไม่ทราบแต่ก่อนทำที่การเรื่องพระอรหันต์พระอรหันต์เวลาท่านสิ้นอาชมาลแล้วน้ามริยิบท่านต้งแหงเหน่าแห้งไปหมดหวา<ะ>นต้องเหือดแห้งไปหมดหวา<ะ>นแล้วเราก็ ที่จะคิดคัดค้านท่านเราก็ไม่ไม่สนใจจะคิดนะเพราะเราก็ไม่มีความรู้ไม่ทราบว่าจะอะไรมาคัดค้านหรือจะเอาแสดงอะไรให้ท่านเห็นให้ท่านเห็นจริ ง, งนี่อย่างนี้เก็ไม่มีเป็นเพียงสัง่งเสรจสังแบบเดาๆไปนะแล้วมัมีทั้งการคัดค้านมันมีทั้งการจะวิ่งวิ่งไถ่เป็นจริงยังไงแ น, ะงน่ก็ไม่มเวลามาปฏิบัติข้อนี้มันถึงทราบเพื่มันย้อนจริง เพราะคำคำพูดนั้นมันจำได้ แ, แต่มไม่สนใจที่จะมาวิภาควิจารณ์เฉยถนงพร้ อ, อมมาเป็นที่ น, นั่งที่นี่มันย้อนแล้ย้อนกลับไปอีกกัรยากน้ำนาโมจีน้ำมาคาละเนี่ยนาโสีเนี่ยมันเหอนแท้เรื่องหมดบราราเขาพี่น้าเขาสังทางนั้นกน้นาโมจีนี่มันก็เป็นกิเลสละสิ มันเริ่มมาแห้งไปเมื่อที่เร็ดดับไปแต่นาที่มันเป็นอะไรมันเป็นธาตุอะไรนั่นมันก็ธาตุดินผสมกันไี่หลือธาตุดินท่านน้ํามันไม่ใช่ที่เร็ดมันก็เหมือนกับธาตุทั้งหลายนี่พยายามเข้าใจจะให้มันดับไปไหนเป็นแต่เพียงว่าไม่มีเครื่องเสริมมันเหล่านั้นเองมันก็มีมันไม่มีเครื่องเสริมมันกนแน่เลยท่าน เมืม่อมีเครื่องเริมมันก็ไม่สาเร็จคือไม่ทำปิดใจให้ําเร็จเนื่องจากปิตใจไม่มีชื่ออะไรอย่างนี้อันนั้นมันก็มีตามกันอยู่ไม่พอกันนั้นเวลาเราท ร, บราบแล้วเราอยากจะรู้ทัดเจนนะแต่ก็จะทำไงวันสุดวิสัยเวลานอนบางวันมันรู้กันไม่ใช่ว่าบางวันมันมันจะไม่อยากเคลื่อนนะคือธาตมันจะมีผิดปกติแล้วมันจะรู้จุปดปวดๆอะไร อย่างกระโปงตาเรเอี่ยมเราเอมาไหนนะระหว่ังมันเป็นเหมัอนเมื่อไหร่นอนหลับมันจะไหลเย็ดตืมมือมาที่จะมันเป็นเหมือนอย่างสงาาเราไม่เต้นเหมือนอย่างที่ธรรมดาทั่วไปเป็นมันไหลมันซึมเหมอนของเราตืมขึ้นมาพาเปียกนี่ตรงนันติดที่เราเห็นนตรงนั้น จะดับไปไหมันจะหายไปไนก็อันนี้ธาตุธาดินท่านน้ํายู่ระหว่าส่วนที่มันดับก็คือความกําหนัดความมินดีนั่นตัวราคาแท้คือความกําหนับความมินดีนั่นคือราคาแท้กิเลสแท้ความกําหนับอันนี้เป็นเครื่องมือของความกำหนับนั่นแหะมันอาสัยเรามันเป็นเครื่องมือเหมือนยังตานี่เป็นกิเลเหนือนะตาเห็นรูปตาเป็นกิเลเหน ถ้าถิกไม่เป็นกิเลสตาจะเอาอะไรมาเป็ดมันเป็นเครื่องมือของจิตใจต่างหูเป็นกิเลสหนึ่งถ้าว่าททางตาทังหูเป็นกิเลสเนี่ยเวลาี่เลสดับพวกนี้ต้องคิดหายหมดเลยถ้าเป็นจิตอย่างนี้มันมันเป็นกิเลสมันก็เหมือนกันกับอันนี้ในตอน่าะน่ามันค้าหาความแตกไม่ได้มันแน่ในจิตมันเป็นเลยจิตนี้รู้กันนี้เห็นนี้ทำไมันจะเหมืนามแตมันไม่ชันจะเอาอะไรมาสงสัย เราสามโลกธาตุมาพักมันก็ไม่สุนทรถ้าเราไม่รู้ชัดทันจิตทันเร็วสันทิโกจิตจะให้มันดับไปไหนธาตุดับขันแล้วไม่ดับธาตุดับขันระดับที่เด่นต่าอันนี้เป็นส่วนธาส่วนขันกาการนจะหมุนิกายอย่างนี้เป็นส่วนธาตุสนขันเป็นเครื่องมือของ <ST> Michaels, imas, ใจถ้าใจมีค like ิดสียมก็เป็นเครื่องมือกระทาคิดเสียงาใจมีคิดน่มก็เป็นเครื่องมือ แธรรมดาธรรมดาปัจจัยเป็นธรรมนี้ก็เป็นปรธรรมไปเทียดยูเพ่อประโยชน์ฟังเพืประโยชน์ไปเสียอาจจัเป็นเภิกก็ฟังเพื่อโทษเพื่อพิเศษไปทั้งนั้นเนี่ยปัจจัเป็นธรรมก็ฟังก็เพื่อรธรรมไปเสียนี่มันอยู่สำคัญที่ใจไม่เหลี่ยนอยู่กับใจไม่อยู่กับธาตุสี่ดินน่ำลงไปแต่มันเกี่ยวเนื่องกันการจกดการทรมาน ม, นมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่ ฉันอะไรกันไปงงมากฉันอาหารอะไรมั่งมันรู้น่นั่นันอาหารประเภทท่าขันเป็นอย่างนี้แล้วทำผิดไม่เป็นอย่างนั้นผิดไม่ี่หลงนี่มันรู้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังคุณ่แม่คุณฉันถ้าท่านแกมันมีนมมีอะไรการ์เทตรงถวยท่านคือมันมีอะไรถั่วฝักขาวต้มมันออนนมเทชงมัน เราไม่เคยเอาถ้าเราจะเอาเราก็เอาด้วยก่อน น, นี่นผมนมใช่ผมไม่ล้มละถ้ามันกำลังเต็นที่ถึงจิตไม่กําเริบก็ตามธาต ม, มันก็กําเริบให้เห็ดหนึ่งระหว่างนอนหลับไปตื่นขึ้นมาเปียกหมดไม่ได้ฝันได้ผลเลยนะนี่ใส่ผมเปห น, นึ่งครแต่ก่อนมันเรื่องฝันมันกร็รู้ว่าฝันแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ออกเพราะเขาการฝันอย่างเดียวเลยเป่นขึ้นมาเยิ้มไปหมดโอ้โห เรื่องมือเราสร้างนั่นเราก็งงดสิอจะเป็นความบากเราถิ่งก็ทำให้ฝันแ่ะนัมันรนแรงมันก็ทำาฝันแต่ถ้าทำอะไรตัวนี้ไม่ก็เป็นออกมาอย่างที่ว่านอนตื็นขึ้นมันไม่เร็วในราวอะไรเลยถ้าเปียกอีทํามตัวน่าหนักนันอะไรมันก็ต้องย้อนทันทีพอรู้แล้วขีหลังของมดงดงงดนี่ต้องเรียนรู้งสือผมก่อน ผมก็งวลนะผมไม่เอาหนเะ่นั้นก็ไปนินมาปฏิบัติได้ยิ่งชัหววกดขันไม่เอาเลยจริงน้าลองลองดูบาทีมันขันหันกันนะันเราเป็นเลยเนี่ยนเหตุที่เราหยุดเลยมันทราบธัร <c> ม <oughs> มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้คุณต้องเลย ระมัดระวังรักษาท่านว่าอุตส่หาหะากัตปายะคือมันเกี่ยวเนื่องกัน เ, เมื่อมันมีอำนาจมันต้องอยู่ในต้านมากในธาตุขันเกินได้ะเมื่อธาตุขันมีกําลังมากมันก็ทับจิตจิตกล้ามแล้วก็ออกอเพราะฉะ น, น, น, น, นั้นพักที่นอนผ่อนอาหารหรือ้อดอาหารเนี่ยมันเป็นอุบายทนงวิถีที่จะฝึกจิตด้วยความสะดวกสําหรัจการมีสัยที่ถูกกันกับการ ก็ทำมาเรื่อยะไรไม่รู้จีน่าทิ้งผู้อื่นกว่าเนะมันเข้าใจหาความามาหาความรูมาค้างๆของความสนใจเชื่อยที่ถ่อมนี่ก็ไม่เห็นเชื่อยอยู่ธรรมดาไม่ได้สนใจอะไรขางนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติมันเป็นมกเข้าใจ เป็นงไงมมนก็รู้นี่หายสงสัยบงทีเลยอ<ม>ือนี่ทงานที่ที่สิ่ปีนะที่มันทันกันนะมอนการมาราคันปีสี่ปีดังเรื่องคันกันมะแต่มันก็ มันก็แก้ยังไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่พันพอเรื่องนี้ขึ้นมาภาพจะทันต่อไปไม่มีขณะไหนที่จะเผยคือเราทํางานลำการความเรื่องนี้กลุ่มเรื่องนี้แยกขึ้นมาเท่านั้มันจะรู้ทันทีระดับไปทันทีแต่ไม่ใช่ขาดนั้นหมายถึงเราเราทันความคิดต้องาองเยอะนั่นแหะค่ะเวลาเราเอามาแยกมาแยกพิจารณามันก็มี แยกออกมาในทางที่ใช้กำหนงมันก็รีบรัดรับขึ้นมาแล้วก็รู้เวลาแยกไปทางอุภานอุปสงค์ที่แล้วมันเบื่อหน่ายมันก็ถอยตัวมันไปเรารู้เวลาพูดถึงขนาดปิดที่อยู่ธรรมดาธรรมดามันปรุงขึ้นมาแยกนี้มันทันทีทันทีถึงถึงจะทำแบบไม้หามเสาตัทํามนะอึงพอมันปรุงท่ามันจะรู้ทันทีเลยเวลามันทันกะ มันก็เป็นต้องความระวังมากนี่เหลมเป็นคนสามสิบปีนี่เกินปไปทำท้าเนี่ยไม่อบอกหม่น่บากมันก็ดีหนึ่งที่ใจไม่ตายใจมันไม่ดีเชื่อเดียมันไม่มีขนาดใดให้ชาติไม่เอา เราขึ้นต้องรู้อันนี้ถวายไม่รู้แล้วมันเป็นมาตั้งวันวันไหนเนี่ยเราไม่เห็นด้วยคืออยู่ๆทามาขโมยไปแล้วมไม่ปรากฏเลยไม่เอกคือสาเอย่างเราลองมันนี่ถึงประด็ น, น อ, อ้าวอุบายทีนั่นมาถึงตัวนี้ก็คิดถึงขตาบ้านโคกมนนะนา เอ๊ะไม่น <ules> ึกจะลืมนากระต่ายยุคนั้นผมเด็กกว่าถอาผเออผมทำงานทำงานเป็พ่อไปพูดคำนี้นะนี่ก้าวพูดพลพูดตรงไปกลงมานี่หัวหน้าจะจำตาโก้มันนาว ครจะใครลินท่านถองบังคายมังคัณคนจอมสวยพอตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงงูงูงูร่อนเช้าตั้นบงนั่นมันขืนดิเป็นพ่อแม่ไม่ขืนกูฟ่งมึงเรียนมาพ่อแม่กูจะห้องไม่ไปโจอ้วนมึมึงกัดเนี่ยผูตาเปยนไงกูฟังเรียนมาเลยลูกแก้วแตงโมึงไม่พอเลย นี่เงมบอกหน้ามึงยังมาเพ้อบ่เ่เทยวสากระเมืองลำมึงแล้ตอนเจ้ามึงถาอะไรมึงขึ้นอย่มูนไมึงเาอ่จะก็ลางกงเน้่ยจะก็เล่าอย่งนี้เลยมู้นว่าแต่กันกท่นี่เวลามาพิจารณานี่ยนะมาพิจารณารูขภาพดีๆมาพิจารณารูปภาพปรากฏว่ามันเน่าเน่าเนาะแต่กระซายแลจิตมัน โอ้โหมันสลดสองเดือนตั้งแต่ว่าทานหายเ ง, ง, งียบหวานนั่นนะต้เป็นไงจะของเข้าใจบ้างไงผมสิ้นแล้วตอนนีวว้หรอสินววส้นคาแล้วตอนนีวว้มีผู้กับผมในนะที่ท่านยาน่ามอนัาผมขับไปตามา่พธามาจังด้วยปีนั้นมาสิ้นแล้วเาเล่านาฟสิิ้นเอ า, ลอาลอเล่ามาพ่นหน่อยก็จเล่ามาเล่ามามาถึงนี่อุปทานเป็นเท่า เราไม่ได้บอกเราไม่ได้ข้านะปฏิสิ่งนีวหรือไม่สิเราไม่ได้ข้ า, านะมแต่เราเอาธรรมะสนอนต่อไปให้พิจนาอย่านีไนะม่ ล, ล่อยัรู้องมาบอกบอกวนะ่าพี่กินาเพียงคืนเดียวเท่านั้นตอนเช้ามาโปปะบมเช้ามากลอาวถูกกันท้านอาจารย์ว่าเพรเอาธรรมะท่านอาจารย์พิจนามันดีกมันขึ้นดีก็กายานะอนแต่าอได้มาบอก แต่ผู้ต่ อ, อว่าผู้ใตมันโ่น อ, าอาหายหงไงาายม่างให้คุณนะเรมก็ยมอ้าวที่เราบอกให้พิจารณานัน้นะเราบอกบอกผู้บที่ทีทั้งนั้นมาแล้วอกพษาแล้วเราก็หนีแตนได้ไม่ได้เรื่องสันแต่ พ, พทธมามยมเราพอที่อาจา์ว่างนั้นเราพามันเป็นมาอย่างนั้น อะเนี่ยอุบายวิธีพิจารณาแบงนี้ไม่งั então, ้นไม่ทันมันนานกี่เลยอนความหมจังเลยพิจารณาสมเิความเมื่อยน่อยแล้วก็ขค้นไอันนั้นได้มันต้องมีบทความเมื่อที่มันจถงมันจะเคลือรับมันเนียโค้ขึ้นมารู้ทันทีงแล้วต้องบอกว่าทิ้นนะขอให้พูดอาการมันเป็นไปให้ต่า บอกว่าขึ้นเมื่อบอกว่าขึ้นเหมือนตามขึ้นราค้าทั้งขาขึ้นในทิศทางไม่จําเป็นก็ต้องมาบอกเราว่าขึ้นในทิศขอให้พูดเรื่องความเป็นมาของสิ่งที่เป็นอย่างไรฟังไปตามนั้นเข้าแต่ทันทีเลยไม่ต้องบอกเพราะคำอินมันบอกอยู่แล้วนมันี่จางณาอย่างนั้นอินมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนที่เข้าใจแล้วมันยากอะไรพูดไปแ้มันก็รู้หมดติดอยู่ตรงไหนมันก็รู้นอกจากคนให้ค้านแต่นั้นมาเด็ดฟังไปสิบ่ เพราะงั้นพูดสำคัญตนว่ารู้ว่าเห็นว่าสิ้นสุดเพื่อนั้นเพื่นี่ท่าพู ด, พดท่านพูดทีเข้าใจแล้วโอ้ฉันขอเลองไปมั น, นปิดไม่อยู่ถ้าลองได้พูดวิถีจิตการพิจารณาให้ปิดอาการให้ปิดพิจารณาอย่างไรย่งไรบปเป็นลำดับให้ท่านฟังแนเป็นไม่อยู่นั่นแหละคือเป็นเครื่องวัดนั่นแหละคือเครื่องวัดให้างวจิตถึงไหนปิดชิ้นเป็นไม่จริงการพิจนารณาเนี่ยพูดเรื่องพิจารณาให้ฟังกันนะ มันจะทราบไปเดยยังไม่ต้องบอกว่าสิ้นแล้วอันนี้ถึงจะ like สิ้นแล้วม so มม okay. ไม่ yeah. ไสิ้นแล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์แล้วก็ว่าสิ้นแล้วมันสําเร็จอย่างนั้นกับการปฏิบัติปฏิบัติเป็นยังไงว่าตามหลักประโยชน์อยเข้าใจอะไรกคุณดท่านสิงหขาวสนกมีทุนเดียวเท่านั้นท่านัมาไม่เคยได้แล้วเอาเต็มคุณอะลร ตั้งสอ ง, งถึงหกถนะุนครับหนึเนท่เรามีคนจะมาเรื่องขอ ง, งเราตั้งแต่ต้นกอไก่กอคาร์ลี่ที่ที่มมที่ที่ที่ที่ที่าี่ทีอที่ทีไที่ที่างาทีวที่ที่ที่ที่ที่ทันที่ที่ที้ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ทเราี่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ท่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ท่ี่ี่ ถ้ายังมีติดมีข้องอยู่ที่ตรงไหนแล้วขอท่านอาจารย์ให้ฟาดเลยนะไม่ต้องหล่อไม่ต้องขูดความเกลียดใจนะถ้าพูดถ้าว่า ต, ติดไม่กระผมติดแล้วจะหาทางออกไม่ได้เลยถ้าว่า ต, ติดนะถ้าไม่ติดอะไรก็แล้วแตนอาจารย์การที่หน้าที่ น, า, น า, ามาอย่างนี้นอย่าที่อย่นี้ไปแล้วไม่ได้บอกว่าเราสิ้นไม่สิ้นถ้าว่าติดก็ ต, กติดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราว อ, อะไรเลยหระติดแบบมืดแปลกทิศแปล ด, ด้านหาทางออกไม่ได้ แต่มันก็ไม่หาทางออกเียจะว่าไงมันจะมืดขนาดไหนที่ดูจะไม่หาทางออกก่าเนี่ยติดขนาดไม่หาทางออกบอกมันถ้าเป็นติดก็ติดขนาดไม่หาทางออกเอเาขนาดนั้นเวลาถึงที่ผู้เป็นเป็นที่ถ้ามันเห็นค้างเยอะทันมาย้อนหลังของทุ่กลุ่นเข้าใจที่สาคัญก็มีจุดนั้นถึงนั้นมีปัญหาาควรมาถึงั้นถึงันก็มีทางนั้นเพราะนั้นมนี่มีปัญหา ผมก็เป็นเหมือนกันหนามากั่นแหลมีสองเทปที่เทปทั้งคันทั้งนมีสองเทปท่านท่านของท่านเรามันเล่ามากเพราะมันเหมือนกันมาแล้วมันีแจะเล่าแตฐานที่ที่จงเป็นเท่านั้นทางทางวิธีจิตของเราพูดเราไปหมดแล้วเขาบอกมันเหมือนกันรั้งาต็มมันก็ต้องพูดไปส่วนใหญ่สาคัญทั้งคันทันมันลงกันได้หมดขมวดตาปิยาที่พีนานั้นมันต่างกัน ไปบ้างการหลักใสแตส่วนใหญ่สิผลรายได้นั้นมันเหมือนกันเหมือนกันแนตะ่เท่านั้นเองเวลาพูดอย่างละเอียดเนี่ยเรามันเป็นอย่างไหนแล้วพูดอย่างนั้นเลยเราไม่ติดมันพูดได้อย่างสนุกหนึ่งนะมันเป็นยังไงเพามันมันจะไม่อาจฐานนะจิตเมื่อมันเป็นในจิตแล้วพูดได้อย่างอาจฐานเนระื่อยๆทให้เป็นพูดไม่ถูกอย่างที่ท่านพูดอะไรท่านว่าไม่ในตำรา กัญญาณปุตตคนไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพรโสดาบันได้พระโสดาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของทรสกิตาคาร์ไพระสกิตาคาร์ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตระหลังได้ของของพระนาคาได้พระนาคาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของประหลังได้พระหังไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระพาราของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยยังมีแตกต่างไปจากความเป็นพุทธ แตว่าส่วนเนี่ยหมายความรู้สึกที่แตกต่างไปอีกนีนฟังนี่มีใ น, นตํานานมันถ้าแค่ได้ยังไงคนหนึ่งรู้ด้วมีเคล็ดลับอยู่นี่รู้ด้วประจักกับใจเอาควา ม, มรู้ปัจจัจเนี่ยที่เป็นเคล็ดอันเนี้ออกไปถามโดยที่ตายหมดจะถามจุดไหนก็ถามมันมีหลายจุดพุทธาสุภิชานราคาพระหัตอะไรแบบนี้ เป็นเทพเป็นเทพเป็นเทพจิตแต่ละเทพนักเทพธาตินไม่เป็นองพูดบรร น, นังคำก็ไม่ถูกนี่เพรเทพที่รู้ภายนธุจิตออกไปถามป้าเดียเต็จเลยเพราะผู้นั้นไม่เคยผู้นั้นไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้จะเอาอะไรมาตอบได้ตอบความจริงหรือนั่นนะ่ะนั่นเป็นความจริงล้วนๆนั่นถ้าไมา่ปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ถูกเรียนมากี่กัมภีก็เรียนถึะแต่ไม่ถูกวรรลังคำนั่นหลักกรุงทิจติผู้เรียนน้อยเรยนมากมาันสาคัญขอให้มาปฏิบัติให้รู้อย่างนี้เถิด ใาจะเรียนมากเท่าไหจะมาติดภูนี่แน่ติดผู้ที่รู้กินแห็จจินขอเอาความจริงมาพูดมาถาม อ, อันนั้น ง, งมตามแบบตามมนาเล่าวความจริงเข้ามาให้ดูมันไม่รูมันก็เหมือนกับลูกแนวตะคุกทั้งเชือเช้อตะคุกผ้าเศษผ้อาอะไรแต่เ่าพอโยนหนูมานยิ่งข่มต่างคนทวมันยังกลัวหนูโดนันเป็นเถือนขอ ม, มันดี นี่ส่นแมวใหญ่ไม่ต้องเาแรงมหลงใช้คอยหมูขันมันวิปป้าไปเลยมันิดกันจงเเรียนมารู้จะชื่อตัวจริงไม่รู้มันติดกันเคสเคสตบองนด็กเคยแสดงต้องตามโบราต้องถามท่านเจาเคสที่เคยแสดงะแต่จะมีอะไรอีกยักมาติดเลย มันไปไม่ได้นะพระนั่นไม่สามรนารถแก้ปัญหามันไม่ถึงแบบนันมีนมในาูต้องถูก้งอมีเคลศหนึ่งก่อนผมก็ไม่ได้คิดทำอมไรทีแก้ยัไหตโวดาวบางรายก็ะจะมีความรู้ความเจลาญข้นงพรานราคายังมีงามไม่งคิดเลย ความรู้ความเลี่ยยิ่งเด็กพรานักกายก็ยังมีเพราะว่นานักายบางบางรายนี้อาจจะไม่เรียนมากอาจจะไม่เข้าใจมากความที่เรียนขนาดอาจจะทู่พระสดาบางหลายก็ไม่ได้เนี่ยมันคิดไปงั้นนราเอาความฉลาดแต่รู้โลกไม่เอาความรู้ความเฉลี่ลยจากความจุิงมาพูดอย่ามันี้เราคิดแบบบ้าๆผมมาพิจารณาด้านส่วนแบ่งให้หย่อนหลักอ๋อเอามากอะไรเอาตัวจริงมาว่า ออโอเค่างค์ขันบัญญาอธิมายพูดมามาก่าหน่อยจะแต่